วันนี้เป็นวันที่สี่แต่ก็เป็นวันที่สองในคัมแนี่ยนำในการเจริญพระธรรมฐานเสําหรับวันนี้ผงไม่ต่อวันนี้นะเพราะถ้าต่อมันยังไม่ได้ห้าแสนต่อไม่ได้ <c oughs> แต่วันนี้ขอแนะนําเบื้องต้ น, ตนว่าการเจริญพระธรรมทานบัณฑาของพุทธริษัชน์คำว่าสมาธิเป็นการตั้งใจ แต่ความตั้งใจของเราไม่ควรอยู่ที่นั่งสมาธิเฉยๆ <c oughs> ต้องตั้งใจเข้าเก ค, ความเป็นพระ อ, อริยเจ้านั่นหมายความว่าขณะที่เรานั่งสมาธิธรรมดาเป็นการฝึกกรมให้ทรงตัวบางคนก็ฝึกได้ น, นานบ้างช้าบาวว้างเร็วบ้างเป็นธรรมดาแต่นั้นถือว่าเป็นการฝึกให้ทรงตัวเท่านั้นไม่ใช่ว่าสมาธิก็แปลว่า สมาธิเราตั้งใจมั่นถ้าตั้งใจแบบไหนที่ถูก <c oughs> ถ้าตั้งใจให้ตรงตามความเป็นจริงที่พระเจ้าสทรงการระดับรแรกก็ต้องจํำเวยว่าชีวิตของเราต้องตายเมื่อความเกิดมีขึ้นความตายก็มีหน้าที่สุดเหมือนกันหมดไม่มีใครสามารถจะทรงตัวได้ต้องจำตรงนี้ไปก่อนเป็นตัวแรก แล้วเจ้การในสองต้องจำว่าเราจะยอนนับทับถอพระพุทธเจ้าประธรรมในพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพโดยการในศาลจำสินห้าหรือสินแปดก็ได้ามใจชอบจำว่าสินห้ามีกี่ข้อเราจะไม่ละเมิดสิ้นข้อนั้นนั้นไม่แต่ข้อใดข้อไหนอย่างนี้ถือว่าสมาธิที่เราทำตรงความประสงค์องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> อันนี้การทำสมาธิทำแบบไหนก็เลยว่าไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเกินไปทำงานหรือทำ ง, งานอยู่ก็ดีเมื่อว่างจิตบ้านจากา ง, งานก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะตายช้าใจจะยังไม่ตา ย, ย, ตายมันถือว่าต้องตายแน่นอนจะตายในสองวีนเมื่อตายแล้วทางที่ไปก็มีสองสายสายที่หนึ่งคือสุขติมีสวรรค์เป็นต้น สายที่สองได้กับทุกติมีนรกเป็นต้นถ้าจิตใจของเราเลวก็ไปสู่ทุกติถ้าจิตใจของเราดีก็ไปสู่สุกติให้คํมาเลยก็เดียวเอานเครื่งวัดแล้วก็ถือเอาพระพเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ในื่งวัดกําลังใจของเราถ้าเรายอมรับต้อถือด้วยความจริงใจเและกล่า ถ้าเรายอมรับมาถือด้วยความจริงใจแสดงว่าเรามีสมาธิเพราะนั้นเรานี้มั่นคงเมื่อตายแล้วก็ไม่ไปในรกแน่นอนแต่าการต่อไปซึ่งศีล <c oughs> เดินศีลเป็นบรรดาเป็นพุทโธกับทุกคนไม่มีใครขาดทั้งหมดต้องเหลืออยู่บ้างข้อสองข้ อ, อยังเหลืออยู่ข้อไหนที่เราไม่ได้เมื่อยกระลาบไม่ได้เมื่อตลอดไปข้อไหนที่เคยได้เมิ่อก็ระวังไว้ ก็เราจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้ววัยใหม่มันก็ไม่แน่นอนนักอาจจะเผลอก็ได้อาจจะเผล <c oughs> อจจถ้าเผลอทําไปก็คิดต่อไปว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อไปถ้าตั้งใจเตือนใจตนเองอย่างนี้ไม่ช้านะักก็มีการทรงตัว <c oughs> ก็จะไม่กล้าทําบาป <c oughs> เพราะการทรงสมาธิคบความแปลของตอนตั้งใจมัน่นให้ตั้งใจแบบนี้นะ อย่านึกเฉพาะลมหายใจเขาออกคำบรานาเฉยๆมีผลไม่องกันแต่น้อยน้อยเกินไปจะรู้ลมหายใจเข้า ใ, ใจออารู้คำบรานาอันด้ยการฝึกอารมณ์ตัวให้ใอารมณ์ไม่มีการทรงตัวถ้าทำอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดผลเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ไม่จะเสียถ้าจิตมีสมาธิมั่นคง เวลาตายแต่ในสมาธิเป็นผรมได้แต่ยังไปนิพันธ์ไม่ได้เวลาทำกานเพื่อหวังปนิพันธ์ก็ต้องตั้งในอันดับแรกตั้งอารมณ์สามส่วนไว้ก่อนขึ้นหนึ่งนึกถึงความตายโดยการที่สองยอมรับและถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์โดยการที่สามมีสินห้าบริสุทธิ์ถ้ามีสินแปดบริสุทธิ์ก็ได้ตามกาลังใจของคน วันนี้แจกหนัง ส, สือสังโยชนิกก็ต้องพูดตามแนวสังโยชนิกใช่ก็มีบางแห่งท่านบอกว่าการเป็นปโสดาบันด้ซอยสายลมนันเป็นง่ายหรือกนของท่านเป็นยากนี่ก็ตัท่านพูดให้คนไปพูดไปบอกไปฟังที่วัดท่านบอกว่าทำไมถึงเป็นง่ายๆก็เลยบอกว่าฉันไม่ต้องการเป็นยาก ชอบขอ ง, ง่ายๆเงิเนห้าแสน ใ, นใครให้ง่ายๆเขก็เอา <c oughs> <c oughs> อย่าราไปเล่นอยู่นะ้เอาจริงนะก <c oughs> ารจริงความรู้ดีพระเจ้าทรงสั่งสอนของท่านไม่ยากแต่โดยมากคณาจารย์รุ่นหลังมกักจะมาแต่งเติมของท่านรืตร้ตนยากดูตัวอย่างโคดิปายิพาน เอาตัวอย่างง่ายๆอย่ายงพรรยาคุณพระเจ้าสอนคําเดียวรภรายะเธอจงอย่าสนใจในรูปเพียงแค่นี้รภรรยะเป็นภรรนเพรามไม่เคยมิทา ย, ยาทเรื่อรพวกเราก็คือนี้ท่านลุงท่านบอกว่าไงห้าแสนใครไม่ให้ต้องจ่ายหนึ่งล้านมรั ก, กยายยม เอาลงจากก็ดนะเออเมื่อคืนนี้ก็บอกว่าคนจะปฏิพันธ์กันได้ทั้งหมดความจริงคนทุกคนเนี่ยปฏิพันธ์หมดไม่เว้เลยจะไปก่อนไปหลังอีกเรื่องหนึ่งทางหากนะเออใครที่เจ็บมากก็นานหน่อยที่เจ็บน้อยก็เร็วนิดนะ อาตุรกิดมากแต่เนยานานมากหน่อยเพราะอะไรนะเขาติดไ่จังบญแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาเวลาที่เราจะขายของและทำนาค่าใชก็ตามอีกต็วนึกว่าคนที่ทำงานอย่างเราอย่างนี้มีเยอะไม่สมัยก่อนก่อนที่เราเกิดก็มีเยอะแต่เขาตายไปหมดแล้วในเมื่อฆ่าเราก็ตายแบบเขา เวลานี้เราจะทํางานตามหน้าที่อของเราในเรื่องในชีวิตเ ย, ยี่ยมันจําเป็นต้องหากินก็ต้องหากินนะแต่ว่าเราก็เลยลืมความตายหาแล้วก็เราจะใช้หมดจะไม่หมดก็ช่าเพราะในช่วงเช้ามันก็ต้องตายแต่ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าจะตายก็จําเป็นต้องหาเพราะมันยังไม่ตายลืม <c oughs> แต่ยังเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อสักครู่นี้เองก่อนหกโมง พระท่านมาเตือนเนียบอกว่าการแนะ น, นําคนให้แนะนำแบบท่านแนะนำเทวดาเคยพูดกับเขาก่อนแ้วนะทั้งนี้เพราะไรเพราว่าคนทุกคนที่ น, นนั่งอยู่ที่นี่ก็าตามแมอบางรายจะวันนี้ยังไม่ได้มาก็าตามก็มีหลายรายด้วยกันบางเพิ่นบารมีมาดีแล้วเพรทะว่า ยังมีแตงเมยอยู่แตงเมย์นี่มันเหนียวถ้าคนเ็าจะขี่เหนียวใช่ไหมห้าแสนไม่หนักนะ <c oughs> <c oughs> จะไปที่พันนาทีห้าแสนจ่ายไม่ได้ก็แย่ทีแล้วที <c oughs> น, นี้ก็ถามว่าจะถามว่าทำไมถึงไม่ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องตอบว่ากำลังใจเอาคนไม่เสมอกัน กำลังใจของคนมีสี่อย่างคือหนึ่งอกติเตนยูสองวิปติเตนยูสามระยะสี่ปทับประมะทุกอกติเันยูคนที่มีบา ร, รมีเต็มมีปฏิพันฑ์ว่องไว ม, มากท่านผู้นี้รู้เจ้านะนำเพีแค่หัวข้อก็ออสามารถปรรู้วัาคนได้ทันทีอย่างไรไพรยะเป็นต้นอันดับที่สองอติเตนยู อันดับที่สองไม่ทานแ น, น, นะนำเฉพาะหัวข้อจะไม่เข้าใจต้อที่บายแล้วก็เป็นลงกนกขนอันดับที่สามระยยะที่ต้องแขกกันนานหน่อยอยังแขกห้าแสนสิบแสนยี่สิบแสนถ้าที่สามสิบแสนนี่แม้จะมือเสียังก็ต้องแขกไต้องแขกต้องทวงต้องถามต้องสะกิดบ่อยๆทอธจบาย ไอ้ยังนี่เรืน่นยยะใช่ไก็เรียกว่าต้องแคกกันหน่อยอย่างพวกเราต้องถือว่าทั้งหมดเป็นเน ย, ยะทั้งหมดนะเออพอชื่นใจหน่อยนะมีพวกม่พวกเลยเนะ น, นี่ยเยะนโอกาสจะไปสวรรค์ก็ได้ไปพุทธโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ ทางนี้เพราะอะเพราะว่าการบาเพ็ญในสมัยชาติก่อนๆที่ผ่านมาเราทําบุญไม่เสมอกันทรัพย์น้อยบ้างทรัพย์มากบ้า ง, อ, างอันนี้ไม่สําคัญอย่างคนที่มีทรัพย์น้อยแต่ถวายสังฆทานได้แต่สังฆทานนี้ไม่จําเป็นต้องไปเอาทุตตร้อยเราไม่มีทัตตร้อยของเขานี่เรามีแค่สองบาทสาบาทหรือห้าบาทหรือสิบบาท แล้วก็ใส่ซองเสียนหลังสรกนีสายังฆทานก็เป็นสงฆทานเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสมาที่นี่อยู่ที่บ้านสังเกตดูวัดไหนท่านฉันรวมกันตั้งแตสีองค์ขึ้นไปอันนั้นเป็นคณะสงฆ์สมมติเ่าพระวัดนั้นมีสามสิบองค์ไม่กป็ได้อยู่ไ้เนะก็สงไ์่มาเปอะไรแช่ <c oughs> <c oughs> ก็จะบอกไปแล้ว ถ้านมีสามี่องค์ฉันไม่ไม่ไมไมรวมกันมีอยู่วงหนึ่งฉันรวมก็ต้งองละสี่องค์ขึ้นไปสี่องค์ก็ใช้ได้รดยคนะสงฆ์เราก็เอาของไม่ราคาไม่มากยังข้าวสักถ้วยหนึ่งกัดข้าวจะเป็นอะไรก็ได้ไปน้้ำพริกต้มปาน้ำปลากาปิปุ้แห้งเราก็ใช้ได้ทั้งหมดเอาไปถ้ถวายในวงนั้นแล้วไม่ต้องบอกก็ไปสังฆทาน ไม่ต้องไปไหวเนกิจการอะไรไม่จำ เ, เป็นต้องไหวนะเราส่งเข้าไปท่านรับเป็นของทานทันทีถ้าอย่างนี้เกิดในชาติหน้าก็เป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าพิธีทานที่ทํามาไม้เสมอกันกอย่างนไงอิาาริยาบถในทศสองวัตถุไม่สำคัญนักสำคัญเขตของทานบางทีแล้วก็ย่องไปตั้วไหวกับพระที่ไม่มีศินบ้าง ถาวายกับพระที่เคยมีศีลระสิงขาดบ้างถาวายกับพระที่มีศีลสมบูรณ์แบบบ้างถาวายกับพระอริยเ จ, จ้าบ้างอั น, นี้อริยสงไม่เหมือนกันแต่ทัง้งหมดสู้สังฆ์ทานไม่ได้การถาวายสงฆทานเป็นของดีนี่ใส่บาตรหน้าบ้านก็เป็นสงฆ์ทานหรือเกิดมาถ้าถามว่าทําไมจะมีฐานะไม่เท่ากันก็ต่อตัวว่าการบําเพ็ญทานในเขตทุกข์สลไม่มีจะมีกําลังไม่เท่ากัน แม้ว่าเราก็ยังมีกินมีใช้ใช้ได้คนที่ยังมีกินมีใช้มีผ้าต้องบอกมูเจ้าจะไม่ถือว่าเป็นคนจนใช่ไหมยังมีเสื้อยังมีผ้าถึงแม้จะเก่าท่านยังไม่เรียกว่าคนจนถ้าคนจนจริงๆจะต้องเป็นคนที่ไม่มีเสื้อไม่มีผ้าเกินเพียวลมไปไหนก็มือปิดตาทั้งหมดื่องหมดเราเศร้าไม่เห็นใครก็ยังใช่ไหม ใครเห็นเราก็ช่างปรมันประเด็นเล็กก็เป็นว่าแต่ซึ่งทั้งนิทานน่าไม่เสมอกันแต่กําลังใจเท่ากันสามารถําเพรียงทานได้สามารถสมาทานศีลได้สามาร ถ, จาาาารถจเจริญพระธรรมาทานได้อย่างนี้ถือว่ากำลังใจเสมอกันารจะยิ่งใหญ่กว่ากัน ก, ก็ไม่มากมนะักแต่ในวิธีปฏิบัติก็ถ้าแบบฉันน่ะ ก็หาทางไปบตดแบบที่ง่ายที่สุดแบบเต้นอธิญาขึ้หน่อยตอนต้ น, ตตนก็ขึ้นติมเมื่อกี้เนี่ยน้ำมันนึกถึงความตายไว้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจากวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายแน่ก็ก่อนที่เราจะตายจะพร้อบหายชักสมบัติไปถ้าเราอยากเป็นคนรวยเราก็ให้ทาน <C oughs> อยากเป็นคนสวยแล้วก็รักษาศีลอยากเป็นคนมีปัญญาดีก็เจริญพัฒนายาลไม่ง่ายยากนะแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้ประการที่สองก็เมื่คิดถึงความตายแล้วก็การที่สองแล้วก็ตั้งใจยอมรับธรรมพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์ประการที่สามมีศีลห้าบริสุทธิ์หรือจะบมดี่บริสุทธิ์ก็ได้ สองอย่างเมื่อทำใจได้อย่างนี้ตามบาลีจะบอกว่าคนนั้นเป็นเบโสดาบันตามแบบห้องสือก็ามีหรือแจบบนี้นะ <c oughs> ถ้าเป็นระโสดาบันแล้วตามแบบในการปฏิบัติหลังจากโดาบันก็ททำคนหนอย่างมันมีสองแบบบางท่านรักษาระเบียบหรือว่ากำลังใจอ่อน ก็ต้องไต่เต้าไปหาพระสกิทาคามีเมื่อเป็นพระสกิทาคามีแล้วก็ต้องกลายเป็นพระอนาคามีแล้วต้องกลายเป็นพระอรหันต์แล้วสมบับิท่านเลยมีกําลังใจนงแน่วแน่กำลัใจสูงมีความเด็ดเดี่ยวว่าจะมุ่งอาหารหันต์ทันทีเคยมุ่งมหาพรอรหันต์เลยเขาทำยังไงเมื่อเป็นได้โสดาบันแล้ว หลังจากนั้นก็คิดตามความเปจริงว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มีกับเราก็อาศัยความเกิดเป็นเหตุอาศัยร่างกายเป็นถ้าเราไม่มีร่างกายแล้วไม่เกิดมีร่างกายอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์ทุกข์จากความเหว่วาอาศัยร่างกายความกรหายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยร่างกายความปวดไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเพราะอาศัยร่างกาย ความแก่มีขึ้นเพราะอาศัยมีร่างกายความทักทายจากของรักของเท่าใจเพราะอาศัยร่างกายความตายเข้ามาถึงเพราะอาศัยร่างกายเรวมความว่าไอ้ทุกข์ทั้งหมดที่เรามีอยู่นันอาศัยกายตัวเดียวถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ความแก่มันมมมก็ไม่มีความปวยก็ไม่ไมีแค่เรื่างกายที่เป็นขันหน้าจะเป็นร่างกายคนร่างกายสัตว์มีสภาพเหมือนกัน มันเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั่ก็ตัดสินใจว่านัดต้งจับบัดนี้เป็นตัดไปเราจะเป็นคนไม่มีทุกข์เพราะร่างกายก็ตัดกิเลสสองตัวใอ้กิเลสสองตัวที่รงเกัแล้วเทเรียวอวิชชาตัวที่หนึ่งคือฉันทะตัวที่สองคือราคะฉันทะเป็นความพอใจ เราเหมือเราจะไม่มีความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและอเป็นพรมเราต้องการานิถานราคะเราจะไม่มองเห็นโลกเป็นดินแดนดินมีนความสวยสดงามน่าอยู่จะไม่คิดว่ามือเทวดาหรือเป็นพรหมสวยสดงามน่าอยู่ดินแดนทั้งสามรายการนี้ความจริงไม่มีไม่มีดินแดนไหนมีความสุขจริง <c oughs> เทวดาดังฟ้าหรือเปโมีความสุขอย่างไหนท่ว่าไม่ฆ้าก็ตนออกมาเกิดใหม่ก็เราทั้งหลายที่น้านี่ทั้งหมดก็เคยเป็นเทวดาเคยเป็นนาง้าเคยเป็นโภคนมาแล้วแต่เมื่อหมดเป็นศาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดหนาเป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการเราต้องการพระนิพพานหลังจากนั้นก็จับอารมณ์คิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเร า, าการตัดจิตเดชขัดตัวเดียวตรงนี้นะทั <c oughs> ้งสิบตัวได้ตัดตัวเดียวที่เก้าตัวไม่จำเป็นไ ม, ไม่จำเป็นต้องตัดเดีเยวมันอยากน้ําก็แห้ง <c oughs> ขอตันงค์ว่าแสงก็ไม่ให้ขอแห้งก <c oughs> ็การ ต, กตัดจิตเดชตัดตัวแรกคือส ก, กายติทิฏ ไห้มีค่อยๆหาความรูここ้สึกให้เกิดขึ้นว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีันร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าร่างกายร่างกายเป็นของเราจริงเราไม่ต้องการความแก่ร่างกายต้องไม่แก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยร่างกายต้องไม่ป่วยเราไม่ต้องการความตายมันร่างกายต้องไม่ตายเพราะมันเป็นของเราเราบังคับได้ ถ้าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้เมื่อเวลาที่เราตายเราไปนรกร่างกายไม่จะไปด้วยนี่คำว่าเราในที่นี้ก็หมายถึงจิตภาษาหน่องเสือก็เรียกว่าจิตถภาษานักปฏิบัติที่ได้ฌานสมาบัติเรียกว่าทิฏฐิสมานกายคือเป็นกายที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อนี่คำว่าเราไม่ต้องคิดเท็นะไม่ต้อ เ, เ, เงี้ยเช็คมีกระปิ่งอไรเช่นกระปิงโดนหลายใบทีนี้แล้วเนีนหากว่าเราเค่อยๆคิดว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายมมไม่มีในเราคิดไว้เรื่อยสักวันละสองสามนาทีก่อนสลับเพืตื่ใหม่ๆถ้าคิดไว้เสมอว่าถ้าเราตายคราวนี้เราต้องการนิปานจุดเดียวเพียงเท่านี้บรรดาท่านบริษัท อรม์มันจะชินต่อไปปัญญาเพน่อยเกิดขึ้นแต่น้อยแต่น้อยจนถึงปัญญาสูงสุดมันจะมองเห็นทุ ก, กข์คือเกิดจากร่างกายเพระร่างกายเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์ความหิวมาจากไหนเพราะร่างกายมันหิวความร้อนมาจากไหนมาจากร่างกายร่างกายมันร้อนความระหายมาจากไหนเพราะอาศัยร่างกายร่างกายมันก็ะหาย เรากวาวาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายเราจะไปดูควมที่มีความสุขเท่เราอย่างเทวดานางฟ้าหรือผมนั่นท่านไม่มีคันห้าอย่างเราถ้่เป็นนามธรรมท่ามีรูปนามรูปนามร่างกายท่านไม่มีธาตุน้ำมิลมไฟเป็นร่างกายที่ไม่มีความทุกข์เหมือนเราไม่หิวไ ม, ห ไ, มหไม่ร้อน ไม่แย่ไม่ปวดไม่ไข้แต่ว่าความตายมีเมื่อหมดบุญบัพตนาบารมีเราต้องตายี่เป็นขอธรรมดาในเมื่อถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ถึงจมีความมีสุขเพราะนี้ทิพย์อย่างนั้นไม่ไม่ไมัม่นคงทิพที่มีความมั่นคงจริงก็คือปฏิพันธ์ที่เระว่าทิพิเศษเราก็ค่อยเคล็ดจากร่างกายในเมื่อถ้าเราไม่ติดในร่างกายทุกอย่างเดียวเราก็ปฏิพัน์ตัวอย่าง นั่งนานๆคนจะเมื่อยล่าตัวอย่างดีกว่านะตัวอย่างคนที่เหนียวเศรษฐีที่เหนียวตัวอย่างคือพระโคดิกะถ้าโคดิกะมีะบทในพระศาสนาในสมัยพระพุทธเจ้าเคยไล่ฟัง บ, บ่อยๆถ้า ว, ว่าท่านบวรแะท่านป่วยเรื่อยๆในร่างกายบวม ป่วยแล้วนานๆนกขคลายตัวแต่ไม่เคยหายจกากกันป่วยในวิสุทธิ์ก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นศัตรูของเราก็เพื่อนที่บวชมาพร้อมกันทั้งบวชเข้าไปฆ่าหลันหมดท่านเองแม่แต่ชานโลกีก็ไม่สามารถจะทรงได้ทําได้ถึงฌานเหมือนกันแตไม่สามารถจะทรงฌานได้ถ้าร่างกายป่วยขึ้นมามากร่างกายก็เสื่อมท้รูปที่ใช้ก็เสื่อม จิตก็เกริมจาดการร่างกายดีขึ้นมาหน่อยจิตใจจิตใจก็สามารถจัดการได้มันเป็นอย่างนี้ตลอเวลาจะหวังความเป็นพระราห์นั่นเป็นไม่ได้แน่ท่านท่านคิดว่าเพื่อนทั้งหมดเขาเป็นพระรหันกันในเมื่อเราเป็นพระรหันไม่ได้เพราะเสัยร่างกายเป็นเหตุถ้าร่างกายของเราไม่ป่วยอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นพระโสดาบันได้ จะไม่จะได้จะเป็นทหารได้ถ้าที่เราเป็นไม่ได้พระ่างกายป่ยวยก็ถือว่าได้กลายเป็นศัตรูก็ตั้งใจคิดว่าถ้ามีกำลังกายดีขึ้นอาการบวดป่วยถอยลงไปกําลังดีขึ้นเราจะใช้ไม่โคนช่วยคอันตายเพื่อทำลายศัตรูใครจะเอามั่งกระ บ, บอกนะต้องบอกล่วงหน้าก่อนนะไม่จะมาประสมพันธุ์ แล้เมื่ออาการไข้ลดลงถ้ามีแรงขึ้นท่านทำดีจริงตัดทิ้งใจว่าเจ้าศัตรูตัวร้ายจงตายเรื่อยๆถ้าไม่เชื่อคอตายแต่แก่อนที่ใจไม่เชื่อคอตายไม่คิดว่าจะเชื่อขอตายตอนนักพยาบาล ร, รู้พยาบารารถิราชเนี่ยก็คิดว่าติดโคติกะแต่คิดอย่างนี้ถ้าตายแบบที้ก็คนไม่ใส่ของเราเราไม่สามารถจะบังคับได้ ก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าแปลงกายเป็นคนหนุ่มผิวเหลืองร่างสวยไปหาพระพุทธเจ้าทันเพราะว่าเขาทำมาณฑ์โคดมลูกชายของท่าน ท, ที่อยู่โคติกะกําลังจะเชิดค อ, อตายพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากิจการห้ามโคติกะไม่มีเจ้าประสาคตดพรเจ้าทรงทราบแต่ว่าขันาที่มาครับไปรยายงานพระเจ้าพระโคติกะเชิดค อ, อแล้ว เกิดเนการห้ามไม่มีพระพุทธเจ้ากันนิษนนะแล้วต่อมาพระก็ถามพระพุทธเจ้าบอกว่าโคจิกาตายแล้วเป็นไหนถ้าบอกว่าโคจิกาตายแล้วไปที่พ่านเห็นไหมใครมาไม่ทันเมื่อคืนนี้อยากจะทันเขาก็ทันตามนี้ก็แล้วกันนะมันทันเงยเงี้ยไม่กล้า ก็เป็นว่าการจะปฏิภาณในญาติโยมพุโธสักถ้ามีความเข้าใจจริงๆนี่มันไม่ยากค่อยๆ ค, คิดทุกๆวันถ้าความหิวเกิดขึ้นเราคงคิดว่าเนื่อหิวเพราะร่างกายอาการปวดเมื่อยเกิดขึ้นคิดว่ามันปวดเมื่อยเพราะเรามีร่างกายเขาเป็นไข้ไม่สบายเกิดขึ้นคิดว่าที่เป็นไข้ไม่สบายเพราะสายมีร่างกายขึ้นองคิดว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้จะไม่มีมันอีก ต่อไปเบื้องหน้าคืที่ว่ากายเกิดเป็นมนุษย์หรเป็นสัตว์ก็ตามจะไม่มีสำหรับเราและเราจะไม่พักที่เจวดาแเรนงางพารือผมเราจะไปผ่านต่อไปเขาเขาจะสั่งลงใจให้้เข้ารือสังขาหรหเปรียญายานคือวางเฉยได้หนึ่งห้าวางเฉยตัร่างกายของเราด้วยวางเฉยตัยร่างกายของบุคคลอื่นด้วยวางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มันหมายความร่างกายเราจะแก่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องแก่ตากายมันจะป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องป่วยถ้าร่างกาจะตายก็ถือว่าเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องตายถ้าเราจะตายหรือเขาจะตายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันจะสลายตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่จำได้ใจไป็นประคับประคอนจนทั้งเกิดความเสียใจทําใจวางเฉย เขาตายเขาบอกข่าวตายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ตายเราก็ต้องตายเหมือนกันเมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเราก็ยิ้มรับ